คิดมากคิดมากยากนานคี๊คี๊นะไปเด<ร> <ไป S 2> ี <28 S 2> ๋ยวป็นนะนเดี๋ยวนะ7เสิเอ็นายกที่หลังพวกที่ยังไม่ได้ยกอย่าเพิ่มยกนะเดี๋ยวหลวงพ่อจำไม่หมดนะออช่วงที่ผ่านมาโยมเห็นว่าเวลาที่ไปเห็นสภาวะแล้วบางครั้งรู้สึกใจสงบมากขึ้นใช่ไหมแล้วก็มันเหมือนกับว่ามันยอมรับมากขึ้นถูกแล้วนี่ใช้ได้แล้วนะรู้ไป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 กลับนมัสการจรใครเบอร์เจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองแล้วมาทางนี้ใครนาะ66ใช่ไหมแล้วก็นนเดี๋ยวที่เหลืออย่าเพิ่งยกนะที่เหลือยกเราจบไม่ไหวหรอกกลับนมัสการของพ่อคะ่ะ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 อย่างเขามีโทสะเรามีโมโ ห, โหเขามีราคะเรามีชอบ e ค<า>่ะมันก็ตัวเดียวกันแหละมันคนละยี่ห้อเท่านั้นคนละชื่อเท่านัน e ้นเองเราดูตามยี่ห้อเรานะคะ เ, ออเราเรียกแบบของเราแหละค<า>่ะเรียกมันหยิกหงิกมันกระยุกกระยิ๊กเรียกอะไรก็ได้หลวงพ่อขะเวลาที่เราภาวนานเราเห็นเมื่อกายเรามันไม่มีเนี่ยแต่เราเอาศัยการเคลื่อนไหวเนี่ย แ, แต่เวลาที่เราไม่ได้ภาวนามันก็ยัง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 ในขณะจิตใดที่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งในขณะจิตนั้นจะละสมุทัยในขณะจิตใดที่รู้ทุกข์ละสมุทัยในขณะนั้นแจ้งนิพพานแจ้งนิโรธในขณะจิตที่แจ้งนิโรธนั่นแหละเรียกว่ามารรคเป็นขณะจิตที่อริยามารรคเกิดขึ้นนัานในขณะแห่องอริยามรรคเนี่ยนะเป็นสภาวะซึ่งรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธขึ้นมาพร้อมๆกันเลย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 คืออยากจะรู้ว่ามันมีปัจจัยเสริมที่จะช่วยให้เราแบบศรัทธาในพระพุทธศาสนาเราก็ตั้งมั่นไปได้เรื่อยๆคือจริงๆก็คือการรู้กายรู้ใจใช่ไมครัหลวงพ่อก็ต้องฝึกเอานะคนที่มีศรัทธาแน่นแฟนจริงๆนีต้องเป็นพระโสดาบันลําพังปุถุชนเนี่ยยังมีศรัทธาที่กลับกรอกอยู่อย่างบางคนนะเขาลบพระรัตนตรัยอะไรเงี้ยแต่ถ้าพระรัตนตรัยขัดผลประโยชน์นะจะโกรธละนะ อย่างเช่นก็เคารพครูบาอาจารย์ดีๆนันวันหนึ่งอยากมีเมียอาจารย์บอกเฮ้ยอย่ามีเลยบวช ด, ดีกว่าโนะมโหอาจารย์อะไรเงี้ยเรื่องว่าศรัทธายัง ก, กลับกอกอยู่แล้วแต่ผลประโยชน์เป็นตัวชีน้นาต้องภาวนาไปเรื่อยจนวันหนึ่งใจเรากับธรรมะเป็นอันเดียวกันเราจะรู้เลยว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์งนะอันเดียวกันจะซาบซึ้งถึงอกถึงใจมากเลยให้เอาไปตัดคอนะแล้วบอกว่าพระพุทธเจ้าโกหกอะไรเงี้ยไม่มีทางเลยไม่เชื่อ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 มันส่วนมากมันจะออกไปสักประเดี๋ยวถึงจะรู้ฮะสักประเดี๋ยวเรารู้ก็ใช้ได้ละครับมันมันไม่ได้รู้อีกตอนที่มันเริ่มไหลออกมันไม่รู้รจําเป็นนะ <c oughs> เพราะว่าตอนที่เราทําสมาธิอยู่เราดูเนี่ยเราคอนเซนเทรตครับเราดูอยู่อย่างต่อเ น, นื่องมันเห็นชัดเห็นง่ายแต่ตอนที่เราอยู่ในชีวิตประจําวันเนี่ยอายตนะทํางานทั้ง6ช่องมันทํางานตลอดตามองเห็นปุ๊บใจก็คิดหูได้ยินเสียงปุ๊บใจก็คิด นะใจอยู่ๆคิดขึ้นเองก็ได้โดยไม่ที่ตาไม่ได้เห็นหูไม่ได้ยินเขาทำงานสารพัดเลยรู้เท่าที่รู้ได้ครับผมทีนี้เมื่ออีกอีกอักอนหนึ่งนะฮะอยากจะส่งอารมณ์เมื่อเมื่อสักสักเดือนที่แล้ ว, ลวคือมีอยวันหนึ่งออพอตื่นเช้าขึ้นมาก็เช้า ว, วันนั้นก็สักตีสีไดก้ก็เข้านั่งภาวนานะฮะ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 สติเป็นตัวระลึกนะหมายถึงมีอะไรอยู่มันก็รู้ว่ามีสิ่งนั้นอยู่อะไรเป็นเหตุให้สติเกิดนะในพระอีิธทําสอนชัดเลยนะบอกว่าธิระสัญญาท้ถอถุงสละอิรอเรือธิระคำว่าเสถเียนนั่นเองธิระสัญญาคือการที่จิตจำสภาวะธรมได้แม่นยำเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสตินะนี่ว่าจะสอนพรุ่งนี้นะมาถามก่อนสอนเลยเพราะฉะนั้นทาไมจิตถึงจะจาสภาวะได้แม่นเราต้องเห็นสภาวะบ่อย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 มีคนเข้าไปสัมภาษณ์นิตยสารนะแอลว่าทำไมสวยมีวิธีบำรุงความงามยังไงนะมาฟังซีดีหลวงพ่อปรโมทนะมีซีดีให้ดูด้วยสวยเพราะซนะีดีซีดีนี้เอาไปฟังนะไม่ใช่เอาครีมทาซีดีตูถูอย่างนี้ไม่สวยนะอ้าวต่อไปการหลวงพ่อค่ะคือ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 นะอันนี้ท่านไกด์ไลน์ให้ดูทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันไม่ใช่ตัวใช่ตนมันว่างจากความเป็นตัวตนนะหมอพีดูไปอีกยังไม่พอค่ะหลวงพ่อแล้วอะไรนะอย่างตอนนี้มันแบบมันเหมือนมันโล่งๆไปก็คือโล่งๆตัวนี้แกล้งทํอ๋อค่ะตัวนี้น้อมใจให้โล่งหลวงพ่อทาหน้าให้ดูนะหรือ ด, ดูจิตได้ป่ะเดี๋ได้ใช่ไหมเนี่ยจิตเป็นไปนี้อ๋อค่ะนึกออกใช่ไหมค่ะ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 นมัสการครับมาคราวที่แล้วหลวงพ่อชี้ให้ดูว่าบังคับมากไปฮะมาคราวนี้ขอคําชี้แนะเพิ่มเติมาครัาวก่อนหลวงพ่อใส่ร้ายหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าว่าบังคับเห็นครับอืตอนนี้มันเบากว่าเราก่อนแล้วนะครับสังเกตไหมพอเราบังคับไว้นะทุกอย่างจะนิ่งครับนการบังคับกายบังคับใจนี่แหละที่ท่านเรียกว่าอัตตากิลมัฏฐานโยโบังคับแล้วมันนิ่งไม่มีไตรลักษ